ลูกไข่ร้องอยู่ข้างหน้า <c oughs> ตัวอะไรหรอะตัวอะไรไมันร้องไก ในใครว่าไก่ป่าเลี้ยงไม่เชื่องนะเชื่องนะจริงขนาดเราไม่ได้ให้ข้าวมันกินสัตว์มันก็ฉลาดอยู่ข้างนอกอันตรายย้ายก็มาอยู่ในวัดมาอยู่ในวัดแล้วมันก็รู้ว่าไม่มีใครทำร้ายมัน ก็สบายใจเคยขึ้นไปออกไข่ไปบากครูตีหลวงพ่อด้วยซ้ำไปให้เราเคอยเป้าไว้ให้ไม่ให้ใหงูมากินเมตานะั้นเป็นธรรมะคุ้มครองโลกโลกก็คือหมูสัตว์ทั้งหลายอย่างใจเรามีเมตตาเนยะสนัตว์มันก็เมตตาเราเหมือนกัน มีคนทุกวันนี้จิตใจแห้งแล้งมันไม่รู้จักเมตตาคนอื่นมีเห็นแก่ตัวอย่างไก่ป่ามันเปรียวมากแล้วเมตตามันก็เชื่องนะสมัยต้ น, ตนรัตนโกสิน์มีพระสังฆราชองคนะ์หนึ่งท่านเมตตาสูงหลวงปู่สูง ในชา ย, ยาว่าไก่เถื่อนไก่เถื่อนคือไก่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไก่ป่านี่ไม่มีสมนุนุกรัวไ ก, ไก่เถื่อนถ้าใจเรารู้จักเมตตานะเวลาเราทำสมาธินะี่จะเร็วจะสงบเร็วเพราะเมตตานี่เป็นกระแสที่ร่มเยน็นนะงัอนอย่างเรา ใจเราฝึกนะมองคนอื่นมองสัตว์อื่นมองสิ่งแวดล้อมนะด้วยความรู้สึกเป็นมิตรใจเราจะร่มเย็นไม่เฉพาะคนอื่นสัตว์อื่นนะสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ด้วยบางคนมองเป็นศัตรูอย่างคนกรุงเทพเนี่ยมาอยู่ที่วัดนี้กลางคืนนะกลัวกระทั่งต้นไม้พวกมาอยู่วัด กลัวบ้างแหมต้นไม้มันมืดมๆนะ <c oughs> นี่จริงกลัวความมืดกลัวความคิดของเราเองต้นไม้ก็อยู่มาทั้งวันทั้งคืนมาเห็นมันเป็นไรเนียมันมืดเราก็จินตนาการเป็นอย่างโน้นเป็นอย่าง น, น, น, างนี้ถ้าใจเราชอบป่าตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแทนที่มันจะกลัวนะมันมีความสุข อยู่ในที่สนั่นนะมีมแต่เสียงแมลงเสียงนกนกรังคืนก็มีเยอะหลายชนิดบางตัวร้องน่าฟังเคยได้ยินนกตกจุงไหมชื่อตบนกตกจุงร้องจุงจ้งจุ้งนะน่าฟัง <c oughs> ทีแรกเราก็านึกว่ามันตกจุงจริงจริงอยู่ยเสียงที่แท้มันร้องไม่ได้ตบจุงหรอกนกตกจุงเนี่ยไม่อยู่บนต้นไม้ กลางวันก็นอนอยู่ตามพื้นดินเนี่ยนะแต่เรามองไม่เห็นเป็นกลมกลืนกับธรรมชาติทำตัวสีเหมือนใบไม้แห้งเป็นนอนอยู่กับใบไม้แห้งดูไม่ออกนิ่งเลไม่กระดุกกดิกถ้าใจเราเป็นมิกับคนอื่นกับสัตว์อื่นกับสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ อยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขอย่างอยู่ตรงนี้กลาคืนได้ดูดาวคพกรุงเทพไม่มีดาวดูมีแต่ดาวโป๊ะดาวอะไรอยนะันอยู่บ้านนอกมีดาวให้ดูจริงๆมีพระจันทร์ให้ดูบาคนกลัวใจลับไม่ได้เยบเกินไปมืดเกินไปแต่คนที่รับได้อยู่กับธรรมชาติ กับสงบมีความสุขธรรมชาติไม่ได้เงียบนะธรรมชาติมีเสียงทั้งวันทั้งคืนเสียงในป่าเนี้ยมีทั้งวันทั้งคืนเห็ น, เ, นเสียงนกเสียงไก่เสีย ง, ส, ยงสัตว์ต่างๆบางทีกระลอกกระแตอะไรก็ส่งเสียงจะขู่กันบ้างเรียกคู่บ้างอะไรงี้ ท, ทั้งที่เสียงมันดังนะแต่เสียงมันไม่ย่กิเลสเสียงอะไรที่โย่กิเลสสำหรับมนุษย์นะก็เสียงคนเป็นเสียงที่โยกกิเลสที่สุดสมัยพุทธกาลควรไม่สับสนเท่ายุคเรางั้นเสียงที่ย่กิเลสผู้ชายมากที่สุดคือเสียงผู้หญิง แล้วเสียงที่ยั่วกิเลสผู้หญิงมากที่สุดคือเสียงผู้ชายแต่ยุคนี้เอาแน่ไม่ได้และเทฤษฎีนี้สับสนผู้ชายบางคนกพูดนะค้านะหาห่าหรือฟังไม่รู้ฟังแล้วแย่แยะยา ก, ยา ก, ยา ก, ยากเสียงที่เป็นอันตรายนะสังเกตดูเป็นเสียงที่มีความหมาย อีเสียงที่ไม่มีความหมายเนี่ยเสียงไก่เสียงไก่มีความหมายกับไก่ตัวเมียร้องนะแต่ตัวผู้ก็ยัมาหาอย่างเงี้ยร้องเรียกหรือประกาศอาณาเขตมีความหมายของเขาแต่เราฟังแล้วรอ้อนดีไม่มีความหมายสําหรับเรามันไมย่ยั่วจิเลยอีเสียงที่มีความหมายยั่วจิต เพราะอะไรเพราะว่าพอเราได้ยินแล้วเราคิดต่อสังเกตไหมอย่างเราได้ยินใครเขาพูดอะไรนะเราคิดต่อตรงที่คิดต่อเนี่ยถ้าไม่มีสตินนะ่ะกิเลเสจะแทรกราคาโทสะอะไรต่ออะไรเนี่ยความเศร้าโศกโธทูความอิจฉาริษยาอะไรเนียตามหลังความคิดมาทั้งนั้นเลย อย่างเพื่อนเราทํางานด้วยกันนะขี้เกียจหนีงานบ่อยแต่เป็นเด็กเส้นเด็กนายอะไรเงี้ยถึงปีได้สองขั้นอยู่เรื่อยเราไม่ได้เราทาแต่งานเขาบอกว่าถูกลนีกคุณเป็นคนทํางานคนนี้เขาไม่ได้คนทํางานเขาคนรับเงินเดือนคนละคนกันนะอย่างเขาเลื่อนสี่เลื่อนขั้นไปเนะยถ้าเราไม่คิดเนะี่ยเรายัางไม่อิจฉาะนะ แต่พอเราเริ่มคิดเรียบเทีย บ, เ ท, ยบเทียบเขาเทียบเราแล้วรู้สึกน่าอิจฉาไม่เห็นทําอะไรเลยะชวงกาแฟให้นายอย่างเดียวเลื่อนเงินเดือนอยู่ได้เรื่อยๆความจริงเขาทางานอื่นด้วยเราไม่รู้นายถึงโปรดมากคนรับใช้ที่บ้านด้วยนะรับใช้ลูกรับใช้เมียอซึ่งเราทําไม่ได้ือถ้าเราไม่คิดอะไรใจเราก็เฉยๆถ้าพอคิดแล้ว เราก็โกรธรู้สึกไม่ยุติธรรมนี่ <Yeah. S 1> งั้นรูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินนะกลิ่นที่เราสัมผัสเนะี่ยรสที่มากระทบลิ้นอะไรเนี่ยมันยังไม่ได้ทำให้ใจของเราหวั่นไหวในขณะที่ตามองเห็นรูปเนี่ยจิตเป็นอุบเบกขาจิต <Yeah. S 1> ไม่ได้หวั่นไหวอะไร หูได้ยินเสียงจิตก็ยังไม่ได้หวั่นไหวอย่างเนี้ยได้ยินเสียงแต่พอคิดนะจะเริ่มหวันว่นไหวเมื่อกี้แถนปากหาอะไร<ม>อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ที่นี้โทรศัพขาขึ้นน่ะหน้าเอามาปี้ง<ม>วันนี้นกเอกามากเนี่ยไกป่ปลาขันอยู่ไกลๆเนี่ถ้ารู้จักเปิดหูเปิดตานะ อยู่กับธรรมชาตินะใจจะสงบง่ายใจจะมีเมตตาตใจมีเมตตาเนี่ยเวลาทําสมาธินั้นะจะเร็วมากเลยเพรนั้นผู้ที่เจริญเมตตานะหน้าตาก็ผ่องใสทําสมาธิก็ เ, เร็วจิตรวมเร็วไม่มีศัตรูกต่ทั่งสัตว์ ร, ร้ายนะมันก็ไม่เอาเรื่องกับเราเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์เนี่ยไม่หลังแก่คน โดยธรรมชาติของมันเลยอย่างเสือเนี่ยเราว่ามันร้ายเสือถูกคนฆ่าเยอะกว่าคนแอบเสือถูกคนฆ่าตายเยอะกว่าคนถูกเสือฆ่าตายเสือจะกัดคนเฉพาะเสือแก่ล่าเหยื่อไม่ไหวแล้วเสือเจ็บเจ็บใจคนมารังแกอะไรอย่างเงี้ยจะแก้แค้นอย่างเสือทั่วๆไปไม่มายุ่งกับคน เราพ่อก็เคยเจออย่างงูนะงูเหา่าเรานั่งเล่นๆอย่างเนี้ยงูเห่ามามาหากินมามุดอยู่ข้างหน้าเราเนี้ยหัวสุกก้อนหินเล็กก้อนหินน้อยนะลาบไปแล้วดูนั้นมันสวยๆเกล็ดนั้นดาปีเลยถูกแสงแดดนี้ยเป็นสีรุ้งเลยนะนั้นเกล็ดสวยมากเลยงูเหา่างูเห่าเป็นๆ น, นะ ถ้างูตายแล้วเอาไปทำกระเป๋าอะไรนั้ดูไม่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ควรใช่นะไม่ควรใช้เคยมีคนมีหูมีตาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยิ้วกระเป๋างูเหา่าเขาไม่เห็นกระเป๋าหรอกแต่เขาเห็นงูเหา่าตามผู้หญิงที่มาหลายตัวเลย ในใจเมตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากได้หนังเข้ามาใช้งานนะอย่างนั้นไม่ใช่เมตตาเมตตารู้สึกเป็นมิตรนะโถลําบากไม่ได้อาากินนะเที่ยวมุด ต, ตรง น, น้นมุด ต, ตรงนี้นะหากินลําบากเนี้เพราะใจเป็นมิตรอย่างนีนะ้มันไม่กลัวซึ่งกันและกันสัตว์มันก็ไม่ระวังไม่ระแวงเรานะแต่ถ้าเรากลัวมันหรือใจเราหวั่นไหวหรือใจเราเกลียดมันมันมีกระแส ความรู้สึกออกไปไม่รู้ว่ามนุษย์เนี่ยเวลากลัวเวลาอะไรเนี่ยร่างกายปล่อยกลิ่นอะไรออกมาหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่สัตว์บางอย่างมันปล่อยกลิ่นแล้วสัตว์อื่นเนี่ยมันจะรู้ว่าตัวไหนกลัวนะมันสัด ต, ตัวนั้นก่อนเลยในี่ใจเราไม่ได้กลัวนะสัตว์มาใจเราเมตตาก็ไม่ยุ่งกับเรามันมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ๆ แต่เราต้องมีสติให้เราอยู่ใกล้ๆเขาอย่าพี่เหยียบเข า, เขามีอยู่ครั้งหนึ่งจะรีบไปบินธบาตออกมายังสลัวอยู่รีบเดินจ้จำจๆมาทางเดินวางซะแค่นี้พอเดินผ่านไปนะหางตาเห็นอะไรดำๆยาวๆใครเอาไม้หรือเอาเฉลงอะไรมาทิ้งไว้ตรงนี้เหนไปดูเป็นงูเหานะ หว่าแต่เป็นงวเห่าที่มีความประพผุดแปลมนตัวมันตรงเด้ะเลยนะแล้วหัวมันก็แบนอยู่ด้วยนะแล้วก็มันติดพื้นอยู่งันนะปกติถ้ามันแผ่แม่เบี้ยนต้องฉูดใช่ไหมไอ้นี่แ บ, น แ, บนแต่แต่เลยทื่ออยู่สนะงสัยว่ามีไข่ที่ลึกล้ำจะับเยียบเอาไว้ไม่งั้นกําลังจะขึ้นมาบนถนนแะ้ งั้เจริญเมตตาไว้นะเทวดาก็รักษาเนะทวดาก็รักษาทำสมาธิก็ง่ายนะไม่มีอันตรายจากสัตรายทั้งหลายเนะพราะพระพุทธเจ้าบอกไม่ตายด้วยสตราพุทธอะไรเงี้ยยาพิษอรพวกนะี้นี่ยังไม่ได้พิสูจน์ไม่รู้ท่านบอกว่าเวลาจะตายนะ เราจะตายจะไปสวติงั้นเราหัดมีความเมตตากรุณาในใจของเราให้มากๆทุกวันนี้เวลาใครเ็าทำอะไรดีนะเราก็ไปกดไลค์กดแชร์โอ้เชียร์กันสนันหวั่นไหวเลยอีกวันหนึ่งพบว่าไม่ใช่หรอกข่าวผิดเขียนไปด่าใหม่อย่างเงี้ยนะเนี ที่ไปกดไลค์กดแชร์อะไรเนี่ยไม่ได้เมตตานะแต่อยากประกาศให้โลกรู้ว่าฉันยังอยู่ฉันยังมีชีวิตยอยู่ในโลกนะั้นั้นจะต้องพยายามเข้าโซเชียลให้มากเพื่อให้สังคมเนะี่อรับรู้ว่าฉันยังอยู่ะอันนั้นไม่ได้เมตตาน ะ, ะเคยเห็นไหมว่าไปอ่านแล้ว่าจิตก็เพิ่มขึ้นเผื่อเพิ่มลง เดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจอ่านเรื่องพระเจ้าอยู่หัวก็ร้องไห้ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยใครยังร้องอยู่ยกมือซิมีหไหมสารภาพมาไม่ร้องก็ใจดำไปละเดี๋วเราคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยนะแล้วเจริญเมตตาชีวิตจะสงบสุข ชีวิตจะสงบสุขมันจะไม่โกรธใครไม่อาฆาตใครแต่นี่เป็นขั้นสมถะธรมฐานนะการจเจริญเมตตาเป็นสมถะธรมตานเมตตาเนี่ยถ้าจิต ใ, ใจของเราเคล้าอยู่กับความรู้สึกเมตตาจริงๆเนี่ยเราจะเข้าฌานได้ถึงอรูปฌานละเอียดกว่าการใช้ลมหายใจลมหายใจจะได้แค่ฌานสี่นะ ในเจริญเมตตาเนี่ยขึ้นไปถึงฌานที่ห้าที่หกที่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยได้ทีร่างกายหายไปเลยจิตสว่างสวัยร่มเย็นมีแต่ความสุขความเมตตาไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครทั้งสิ้นออย่างงี้นนี้เทวดาเขาชอบเทวดาจะชอบจะเมตตาเรา แค่ฝึกจิตใจเรานะเอยบาไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นคิดถึงสภาพแวดล้อมนะในทางที่จะบิดเบีเ้ยนทําความรู้สึกเป็นมิตรแกัคนอื่นกับสิ่งอื่นกับสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่อย่างที่นี่อยู่ในป่านะระหว่างซอกภูเขาด้านนี้คือเขาเขียวด้านหลังเนี้ยคือเขาชมพู แต่มีต้นชมพูเปล่าไม่รู้นะชื่อเขาชมพูไอ้เขาเขียวล่างเขียวจริงจรงใช่ไหมเรียกตรงนี้เขาเขียวแล้วข้างหลางมันก็เขียวเหมือนกันแยกไม่ออกต้องตั้งชื่ออื่นก็อยู่ในร่องเขามาอยู่ที่นี่จากใกล้มันนะเปลี่ยนมาเป็นป่ามีสัตว์ป่ามีอะไรเข้ามาอยู่แยะเลยกลางคืนบางคืนมีหิ่งห้อยเป็นร้อยเป็นพั น, นบางช่วง มีดอกไม้หอมๆทั้งวันทั้งคืนเลยหอมมากที่นีมีดอกไม้ปลัดกันส่งกลิ่นเป็นช่วงเวลาอยู่แล้วสงบสุขอยู่มาวันหนึ่งมีโรงงานเลี้ยงไก่มอยู่ตรงนี้ใครกินไก่บ้างไก่ทุกตัวก่อนจะถูกเรากินเนี่ยมันต้องขี้มาแล้วใช่ไหม เราชอบตัวไก่แต่เราไม่ชอบขี้ไก่โรงงานนี้ขยายไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเนี้พื้นที่โรงงานนี้ใหญ่กว่าวัดงเวลาที่ลมหนาวโชวยมาเมื่อก่อนนี้สดชื่นมากลมหนาวโชวยมาทุกวันนี้จะโชยมาพร้อมขี้ไก่กลิ่นขี้ไก่ถ้าใจเราปฏิเสธมันจะโมโ oh ห ว่าเราอุสามาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีซะขนาดนี้นะยังมาทำลายอีกมันจะโมโ oh. หแต่ถ้าใจเรากว้างขวางหน่อยนะเราก็รู้ไก่มันต้องขี้ขี้เรายังเหม็นเลยขี้ไก่เหม็นบ้างไม่เห็นเป็นไรเลยถาว่าทุกข์ไหมไม่ทุกข์นะตอนที่ลมมันโชยกลีขี้ไก่มาเราก็รู้ ถ้าใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะใจเป็นอุเบกขาเขรู้ว่าเป็นอุเบกขาคงไม่ถึงกัมีโสมนัติลงนะะได้กลิ่นขี่ไก่มาแล้วเกิดโสมนัติยิฐารมณอารมณ์ที่ดีอุโธานนียผิดมนุษย์มากเกินไปทำแกล้งดีเกินไปมนุษย์ปกติได้กลิ่นเหม็นๆ่็ไม่ชอบถ้าเราพาวนาเยอะๆนะใจไม่ชอบเรารู้ว่าไม่ชอบ แล้วเราพบอย่างหนึง่งกลิ่นขี้ไก่ไม่ได้อยู่ตลอดเวลามันโชยมาแวบเดียวนะมันก็หยุดไปกลิ่นดอกไม้มันก็มาเนี่ยมันจะมีการสลับกันระหว่างอารมณ์ที่ดีกับอารมณ์ที่ไม่ดีสลับกันแต่ถ้าใจเราเกลียดกลิ่นขี้ไก่เราจะคอยจดจอ่อคอยดมอยู่ตลอดเวลามาหรือยังมาหรือยังมันยังไม่มาก็ยังถามหานะ วันนี้ทำไมยังไม่มาหนึ่งนะแต่ถ้าสติปัญญาเราดีนะกลิ่นที่ไก่มาใจเราก็เป็นอุบเบกขามันคงไม่เที่ยงกลิ่นดอกไม้มา่ยใจเราโสมนัสขึ้นมามีความสุขขึ้นมาเราก็รู้ไปก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนั่นเราอยู่ในสภาพที่กระชอบไปกระชอบมาเนี่ยเราก็อยู่ของเราได้อย่างปกติใจเราไม่กระชอบไปด้วย นี่มันอยู่ที่การฝึกของเราอนะอย่างบางคนไปซื้อบ้านอยู่บ้านคนกรุงเทพมันติดติดกันเพื่อนบ้านเราอยู่ที่วันดีคืนดีเอาหมามาเลี้ยงใครมีปัญหากับหมาของข้างบ้านบ้างยกมือซีมีไหมมีสองคนเองเหรอโทษที่เหลือเขาไม่เลี้ยงหมาแล้วเหรอหรือหมาไปปล่อยหน้าบ้านหมดแล้วนะ อย่งางเมื่อก่อนตลวงพ่ออยู่กงเทพกงคืนเราอยู่นอนคืนนหมาชอบเห่าหมาบ้านเราเงียบหมาบ้านเรามีสัมมาวาจาเพออยู่กับเรานานหมาบ้านข้างๆเนี่ยมีวาจาที่ไม่ดีพูดเพ้อเจอ้อเป็นหมาที่พูดเพ้อเจ้อเห่าไปเรื่อยๆทีเราชะโงกไปดูมันเห่าอะไรห้ อ, อมันแง่น่าเห่าพระจันร์ เห็นพระจันทร์มันก็ห่านะแต่มันเห่าแบบสบายใจป๊อกป๊อกอย่างเนี้ยเกเรคล้ายๆเธอเห็นพระจันทร์ขึ้นแล้วเธอก็ร้องเพลงกลางวันเธอนอนได้เนี่ยกลางคืนเธอก็นั่งร้องเพลงไม่หาใจเรานี่แค้นมากเลยนะเมื่อไหร่มันจะตายสักทีดูมันเงี้ยอย่างตัวเล็กอยู่เลยเขาอีกหลายปีอยู่กับมันจนแล้วทั้งวันหนึ่งมันตายนะกลางคืนนอนเนี่ย ไมมันไม่ค่อยหลับกว่นี้มันแปลกไปมันมันเงียบๆแต่เงี้ยไม่กี่วันหรอกเขาเอาหมาใหม่มา <c oughs> ถ้าใจเราเป็นปฏิปักกับสิ่งแวดล้อมนะความสุขมันจะมาหาเราเงินถ้าเราพัฒนาใจของเราได้ดวงเดียวเนี่ยมีความสุขอยู่ในป่าก็มีความสุขอยู่ในเมืองก็มีความสุข เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพหลงงพ่อรถติดไม่มีหรอกรถไฟฟ้งไฟฟ้ารถใต้ดินบนดินบนอากาศอะไรไม่มีมีแต่รถธรรมดาตอนเด็กๆมีรถรางรถรางก็วิ่งช้าๆรอรีกนานๆอีกรถรางส่มาเขาก็เลิกรถรางไปเพราะเกะกะมีแต่รถยนต์สุดท้ายเขากลับมาทำรถรางเต็มบ้านเต็มเมืองอีก มีรถยนต์นะเวลาเราเดินทางรถติดรถติดมีความสุขไหมไม่มีความสุขแต่ถ้าทําใจนะออกจากบ้านเร็วนิดหนึ่งเผื่อเวลาให้รถติดนะไปถึงที่ทํางานให้ทันระหว่างทางมันจะติดไงเรื่องของมันรถเหมือนเยอะมันก็มีหน้าที่ติดรถไม่ติดอะไรส่วนใหญ่นึกออกไหมติดคันหน้า ไม่ติดอะไรหรอส่วนใหญ่ก็ติดคันหน้านะ่ะยกเว้นเราเป็นคันแดงที่ติดไฟแดงตัวนั้นแข็งมากที่สุดเป็นคันแรกที่ติดไฟแดงเนี่ยอยู่ในขั้นขับแข็งเลยระหว่างนั่งรถเนี่ยเราไม่ทิ้งเปล่าๆลองพาดเจริญสติไปเรื่อยๆดูกายดูใจของเราทํางานไปเรื่อยๆรถมันกระชอไปกระชอมานะร่างกายเราขยับเยื่นเรารู้สึก ตาเรามองอกไปนอกรถเห็นผู้หญิงสวยใจเราชอบรู้ว่าชอบเป็นน้ำปฏิบัติเห็นผู้หญิงสวยเราชอบได้ไหมชอบได้เราไม่ใช่กระเทยนี่ไม่ใช่ขันทีนี่เห็นผู้หญิงสวยแล้วอิจฉาอะไรเงี้ยไม่ใช่เห็นผู้หญิงสวยใจมันชอบรูวาชอบใจมันชอบรู้ว่าชอบนะไม่เห็นความชอบเกินดับไปดูไป เห็นผู้หญิงอยู่คนหนึ่งหูหน่าเกลียดชะมัดเลยนะมายืนบังคนสวยของเราแล้วเห็นไหมมีคนสวยของเราด้วยนะแต่ใค้ไม่รู้จักเขาว่าเรากำลังดูๆอยู่อีบ้านนี้เดินมาบังโอ้ยอย่างกะลาหูอมจันใจไม่ชอบเลยรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่ได้เสียเวลาเปล่าถ้าหากเรา ขึ้น ร, ราล้วรถติดนะแล้วเราก็เครียขดขณะนั้นเราตกนรกจิตเราอยู่ในภูมิสัตรนนิโรธเราไม่มีความสุขแต่เราภาวนาเป็นเนะีไม่เสียเวลาเปล่าถ้าเราใจลอยเราก็เป็นสัตนเดรลฉานนั่งเหม่อเหมอไปเรื่อยใจลอยไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไร ใ, ใจลอยๆเป็นภูมิของสัตว์เดรลฉานเรามีชีวิตที่สูญเปล่าวในขณะนั้น ติดลบไปเรื่อยๆ อ, อย่างนั่งรถไปก็เครียดแปนะหรือนั่งรถไปแล้วก็เหมาใจลอยไปบางคนนั่งรถไปก็ร้องเพลงไปอย่างนี้นะเรื่อนๆในขณะที่เรานั่งรถไปเราจเจริญสติไปนั่งรถไปชั่วโมงหนึ่งถึงที่ทํางานเนี่ยวันนี้ได้ปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงแล้วในรถใช่ไหมในขณะที่เขาตกนรกหนึ่งชั่วโมงเราได้ปฏิบัติหนึ่งชั่วโมง ผ่านไปหลายๆปีเนี่ยจะพบว่าเรากับเขาเนี่ยแตกต่างกันมหาศาลเลยะระหว่างคนที่ปฏิบัติเกี่วับคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยผ่านไปปีหนึ่งสองปีสามปีนี่ชีวิตจิตใจเนี่ยแตกต่างกันมากแล้วต่อไปไล่กันไม่ทันนะเขาเห็นตัวอย่างเราดีเขาเลยลงมือปฏิบัติบ้างเราก็ยังปฏิบัติไม่เลิกเขาตามไม่ทันหรอกมันเหมือนจรวดการยิงจรวด การปฏิบัติเนี่ยตอนที่จะพ้นจากพื้นที่แรกเนี่ยต้องใช้พลังงานมหาศาลเลยใช้กําลังมากที่สุดเลยมันจะขึ้นได้ช้าไอ้เก่งเคยดูหนังยิงจรวดไหมจรวดตอนขึ้นที่แรกช้าใช่ไหมมันต้องใช้แรงมากในการดันตัวเองขึ้นไปแต่พอมันเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยแรงดึงดูดของโลกมันเริ่มลดลงละมันสูงขึ้นไหมมันก็วิ่งได้เร็วขึ้น ใช้พลังงานเท่าเดิมแต่มันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นโลกนี้ก็ดึงดูดใจเราเหมือนกันนะรูปเสียงกลิ่นรสพทุทธภพธรรมารมทั้งหลายมันดึงดูดเราตอนเราหัดภาวนาทีแรกนี่ต้องใช้กำลังใช้ความเข้มแข็งมากในการที่จะให้จิตมันเคลื่อนออกจากความยินดีพอใจหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช้พลังมากเมือนช่วงแรกๆภานานะ มเหมือนไม่ค่อยมีอะไรขึ้นมาพอฝึกไปฝึกไปเนะยคนมาตามหลังเราเนะี้ยมันตามก็ไม่ทันเพราะอัตราเร่งของเราสูงขึ้นไปแล้วพวกนี้ตามมาทีหลังเหมือนยิงจรวดทีหลังมันตามไม่เริ่มแรกไม่ทันนะไม่เร็มแรกมันวิ่งเร็วไปแล้วอันนี้ยังอื่นเู่อืดอืดอยู่แล้วคนส่วนใหญ่เนะี้ยเป็นจรวดชั้นเล็วประเภทบ้องไฟหัดไม่ดีนะวิ่งขึ้นไปหน่อยนั้นก็หลดแป๊บ ใครหล่นทุกวันบ้างมีหไหมขึ้นไปหน่อยหนึ่งแะแป๊ะหมดแรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะมาแข่งกับหลวงพ่อไม่มีทางเลยหลวงพ่อเป็นจรวดวิ่งเร็วของเราเดี๋ยวกรแป๊ะขึ้นไปหน่อยก็หล่นขึ้นไปหน่อยก็หล่นท้อใจนะท้อแท้มาหาหลวงพ่อหนูต้องการกำลังใจอีงโงะ <laughs> มึงอะทุกท่วมหัวนะ เมืองอย่เไม่มีกําลังใจหนีออกจากทซกมันมีโง่เหรอเห็นไหมอันนี้อุทานในใจนะถ้าคือแต่อุทันว่าอีโง่มันจะตบเราเท่านั้นเองแต่เราอุทานในใจโวยโง่จาไว้นะอย่ามาขอกําลังใจจากหลวงพ่อนะเพาะหลวงพ่ออวยพร อ, อยู่ในใจเรียบร้อยแล้วโง่จริงก็ให้คนอื่นเขาเชีย ความทุกท่วมหัวอยู่เหมือนไฟไหม้บ้านอ่ะไฟกำลังไหม้บ้านแทนที่จะรีบผลของรีบหนีออกมาถ้าคนไม่ได้ก็ต้องเอาตัวรอดต้องเอาสมบัติที่มีค่าที่สุดออกมากอ่อนคือตัวเองจะเอาตัวเองรอดแล้วก็ไปดูสมบัติอื่นเอาออมาได้ไหมประเภทไฟไหม้บ้านโอ้ยท้อทใจจังเลยบ้านนี้ส่งมายังไม่หมดเลย ตอแท้ทรัพย์สมบัติเก็บมาตั้งเยอะเหนือไฟจะไหม้ท้อใจเนี่นอนเราทดเรถวยอยู่บนเตียงไม่วิ่งอไม่เรียกว่างโง่ไหมในวัฏฏานี้นะยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านเองไฟไหม้บ้านแล้วตายทีเดียวในวัฏฏเนี้ยตายแล้วตายอีกงั้เรายังยอมทนอยู่กับมันเนะี่ยไม่เรียกว่างโง่ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรและ้ะแต่ใหม่ๆเราไม่รู้หรอก ว่าตามันหลอกเรามันรู้สึกว่าอยู่กระมาแล้วมีความสุขเรากลัวสูญเสียมันแต่ถ้าเราภานา ม, มากเข้ามากเข้านะเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรหลอกหลอกความสุขของโลกมีแต่เรื่องหลอกหลอกนะมันไม่เหมือนความสุขในทางธรรมมันร่มเย็นเป็นสุขเราฝึกตัวเองนะฝึกจิตใจทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะจะใช้วิธีเจริญเมตตาก็ได้ จเจริญเมตตาไปเรื่อยๆบริกรรมแถมเข้าไปไหนก็ได้นะเมตตากุณังอรหังเมตตาอนะไรเงบริกรรมไปที่จิตรวมเลยนะโลกธาถุายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวอย่างนั้นก็ได้ได้พักผ่อนถอยออกมาแล้วนะใจเรามีความสุขชุ่มฉ่ำอยู่รู้ว่าใจชุ่มฉ่ำแล้วพอกระทบอารมณ์ใจเริ่มแหวนไปแหวนมาแล้ว รู้ท่านใจที่แขวนไปแขวนมาอันนี้เจริญปัญญางั้นถ้าเราปฏิบัติตัววันนะเราก็จะไม่มีสภาพเหมือนไอ้จรวดเฮงซวยนะขึ้นไปแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกนะไม่ได้เรื่องครับอย่าขึ้นไปลําบากแค่ไหนก็ขึ้นร่วมรวมพลังขึ้นไปแรกๆจนะยากต่อไปจะง่ายต่อไปจะง่ายยากไปก่อนแล้วง่ายทีหลัง ถ้าคืนเราสบายตอนนี้แล้วมันจะลำบากทีหลังลำบากทีหลังตายตา ย, ตายอย่างอนาถานะถึงมีสมบัติมากก็าตายแบบไม่มีที่พึ่งในขณะที่พวกเราหัดภาวนาไปแล้วเราลาบากในช่วงหัดแรกๆนะใจไม่เคยสงบเลยนะจะให้สงบกาไม่ใช่ง่ายใจไม่เคยมีสติจะฝึกให้มีสติไม่ใช่ง่ายนะใจเคยทำผิดศีลคุ้นเคย จะไม่ให้มันทำผิดศีลมันก็ไม่ง่ายมันต้องค่อยๆขัดเกลาตัวเองไปนะทำสมธาธิทำไม่ปัสนาไปถือศีลห้าไปนะยากแรกๆอยา่างศีลถือที่แรกที่ยากต่อไปถือง่ายไม่อยากทำแล้วจิตมันคุ้นเคยที่จะไม่ทำไม่ทำผิดนะใจไม่เคยมีสมาธิฝึกไปเรื่ยจะทำสมาธิก็ง่ายเนี่ยไหมทำ แป๊บเดียวเท่านั้นนราสงบล่าเริงเบิกบานตัดความรับรู้โลกภายนอกฝึกไปเรื่อยๆยากซะ ก, ก่อนแล้วง่ายทีหลังดีกว่าเอาง่ายเอาสบายตอนนี้แล้วลําบากทีหลังอันนั้นเป็นเรื่องของคนประมาทเป็นเรื่องของคนงโง่ mm. เชิญไปทานข้าวนิมนต์ทานข้าวเชิญทีมงาน นะทีมงานของหลวงพ่อมีพวกมูลนิธินะกรรมการวัดมีอยู่ไม่กี่คนหรอกนะแล้วก็ทีมงานที่ช่วยงานมีอยู่สิบสองคนคนอื่นตอนนี้ไม่เชิญแล้วละเต็มห้องเกินไปไเชิญคุณหญิงกับทีม